ตั้งประเทศละผู้เป็นครูบาอาจารย์ทุกท่านขอเจริญพรท่านรองศาสตาจารย์ <c oughs> วิชัยสุธีรชานอนผู้จัดโครงการวิธีการที่ดดําเนิน ง, งานร่วมกันมาหลายปีแล้วรอยกระทั่งท่านวิทยากรพันโทวิงรดเฉยเป็นต้นเจ้าหน้นาที่ทั้งหลายร่วมงานกันดําเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายขอเจริญพรผู้จัดรายงาน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 มีถึงแ4ด0มืนสี่พันประธรรมขันมากมายหลายประการต้องแปด0มืนสี่พันพระคำพีมากข้อเหลือดีที่จะใช้มากมายเหลือเกินเราก็ไม่สามารถจะคำนวณการที่จะไปท่องบ่นจำทรงและปฏิบัติได้ทุกข้อมีทั้งพระวุในยพยะปิดกพระสุจันต์ปิดกพระอภิธรรมปิดกยกขึ้นมาชี้แจงข้อเทจริงสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนนั้น ไม่มีพระไตยปิดกเพราะยังไม่ได้สังฆนากันเพราะยังมีโอกาสที่จะชี้แจงแบบไหนแบบเทศสอนขึ้นธรรมะหรือเปล่าไม่มีธรร ม, มาเพราะองค์ทรงสเสด็จทุกวันไม่เห็นแต่ความยากเหนื่อยราวรากายพุทธกิจท่าประการครบพระองค์เรียงยานตอนตีสีจึงให้พระคุณเจ้าตื่นตีี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 นั่นแน่แม่ไม่น่าไปในพ้นเลยเป็นหามาได้ยังไงไม่รู้นี่เราจะพูดอย่างอย่างนี้ไม่พูดลับหลังเนี่ยไปพูดต่อหน้าเขาก็จะเล่นกับงานลับห้นี่เราก็พูดในใจไอ้พูดในใจได้ดีขอจเจริญพโรโยมขอเรียนพระภิกษุความในใจเก็บไวเ้เถิดดีนั่นแน่เราไปาารักสาวเนี่ยอย่าไปบอกเขานะ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 เซ่นมากมายเยอะเกินเส็นที่สำนักงานก็ไม่หมดต้องกลับไปพิจารณาที่บ้านดูแค่เซ็นชื่อก็จะตายแนวอะไรทำนองนี้ท่านเซ็นชื่อท่านพิจารณาอย่างไรผมก็ใช้สติครับผมก็ใช้ปัญญาผมดูให้มันลาบคาบว่ามันจะผิดจะถูกประการใดนี่แหละท่านในพลนี่จะกลับมาฐานทำประาการกระทำให้ฐานเกาะอยู่ที่จิต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 คนมีมารยาทดีออกรูปแบบคือสถาปนิกศิลป์นี่เป็นสถาปนิกออกรูปแบบได้ทุกๆรูปแบบก็ศิลปเราก็รู้ตัวอยู่นอบต้องปฏิบัติธรรมที่จะรู้ว่าเรานี่ออกรูปแบบสวยไหมทําไมจะรู้ว่ารูปแบบสวยไม่สวยต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตนั่นเนี่คือศิลเป็นเลือนให้ศิลอยู่กับเราศิลอยู่ทางไหน อ, งนอยู่ต่างตาศิลอยู่ทางหูศิลปอยู่ทางจมูกศิลอยู่ทางปากลิ้น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 ลูกประทานามระทออกแบบมาพูดจาอย่างนี้อาตมาพูดถึงตอนนี้แล้วพูดให้ฟังอาตมาไปเชศบานนอกหอกนาก็ท่องคำเทศให้ลีลาไปหัดเทศกับหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านบอกว่าต้องสุภาัสตสดุนี้ต้องว่าบอกแบบฉการาดอย่างนี้เสร็จแล้วก็ตั้งน้ำโมบอกวันเดือนปีเห้เดียบน้อย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 บางทีนี้มีคนสนองงานกราบทูลว่าคำสอนของพระองค์นี่มากมายเหลือเกินเหลือจะนับจะกรนาแล้วพระองค์บอกว่าเนี่ยทรายในกำมือของเหล่านี้มีเท่าไหรแล้วยังอยู่ในทะเลอีกเท่าไรนี่คำสอนนี่แค่ทรายกำมือเดียวนี้แล้วใบไม้กำมือเดียวนี่ยังอยู่ในตายเท่าไรมากมายกว่าไอ้แปดหมืนสี่พันมขันเนี่ยแต่เลือกแฟ้นในข้อปฏิบัติ